ที่มีใ่เหนียวแน่นจิตก็ละวางเสได้ตามธรรมชาติและเห็นมันดับไปไม่ต่างกับลมแรงอย่างหนึ่งเท่านั้น